มีโยมคนหนึ่งนะมาถามอยากจะให้ลูกชายมีธรรมะจะทำอย่างไรดีนะเพราะว่าลูกชายเนี่ยซึ่งอายุประมาณ 12-13 ไม่ค่อยสนใจศาสนาเรียกว่าไม่ชอบเลยก็ว่าได้อันนี้ก็ธรรมดานะของเด็กหรือเยาวชนนะสมัยนีย้ก็ถามาว่าเนี่ยทำไมอยากจะให้ลูกมีธรรมะ ตัวแม่เนี่ยก็อยากจะให้ลูกเนี่ยนะมีศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วบอกว่าเนี่ยถึงแม้จะไม่สนใจศาสนานี่ก็มีธรรมะได้ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีศาสนาหรือไม่สนใจศาสนานี่จะมีธรรมะไม่ได้แต่แม่ก็ยังอยากจะให้ลูกเนี่ยได้มามีศรัทธาในพุทธศาสนา ก็ถามว่าเนี่ยศาสนิพุทธศาสนาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรแม่อยากจะให้ลูกเนี่ยได้เข้าวัดรู้จักใส่บาตรู้จักสวดมนต์นั่งสมาธินะอนามาเขาว่าดีนะแต่ว่านั่นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นแก่นของพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นแก่นพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่การเข้าวัดไม่ใช่การสวดมนต รือไม่ได้ใส่บาทนะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นแค่พิธีกรรมในความเข้าใจนะของคนจำนวนมากก็ดีอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าสำคัญกว่าคือการมีธรรมะและธรรมะที่ว่าเนี่ยนะมันก็ไม่ได้หมายความว่านะจะต้องมาเข้าวัดจะต้องมาสวดมนต์บางทีถ้าสอรลูกดีๆนะ หรือส่ง ส, สงเสริมลูกดีๆดลูกก็สามารถจะมีธรรมะได้โดยที่เป็นธรรมะในพุทธศาสนาด้วยทั้งๆที่ตัวเองอาจจะไม่ได้รู้แล้วว่าตัวเองกำลังนับถือพุทธศาสนาอยู่หรือปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาอยู่ธรรมะที่ว่านั้นได้แก่อะไรบ้างนะเราก็เช่นน่ะหนึ่งะรู้จัก คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวนะรู้จักคิดถึงผู้อื่นด้วยถ้ามีธรรมะข้อนี้นะมันก็ทําให้เห็นคุณค่าของศีล น, นะเพราะศีลเนี่ยโดยเฉพาะศีลห้านี่มันพื้นฐานคือการไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นคนเรานะถ้าว่ารู้จักคิดถึงคนอื่นในการที่จะน้อมใจไปในทาง รักษาตนให้มีศีลเนี่ยมันก็เป็นไปได้ง่ายเรื่องมันไม่ใช่แค่ศีลหา้างเดียวนะมนรวมอย่างอื่นด้วยเช่นรับผิดชอบต่อส่วนรวมสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะเป็นที่นะรู้จักใช้น้ําใช้ไฟอย่างประหยัดน่าจะเป็นสมบัติของส่วนรวมคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยเพราะเขาคิดถึงแต่ตัวเองนะ คิดถึงแต่ความสะดวกสบายของตัวเองกินขนมเสร็จหรือว่าดื่มน้ำเสร็จนะก็ทิ้งห่อขนมลงข้างทางทันทีเลยหรือว่าโยนขวดเปล่าทิ้งลงทันทีเลยเพราะอะไรเพราะมันสะดวกตัวเองแต่นี่เป็นพ่อไม่ได้คิดถึงผู้อื่นนะว่าคนอื่นนี่เขาจะต้องมา เดือดร้อนกับการเก็บขยะที่ตวงทิ้งยังไงบ้างแม้ว่าบางคนอาจจะเป็นพนักงานทําความสะอาดอาจจะมีเงินเดือนอยู่แล้วมีค่าจ้างอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ที่ถึงผู้อื่นด้วยเนี่ยหรือรู้จักคิดถึงผู้อื่นด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่ทําอย่างนั้นไม่อยากสร้างภาระกับคนอื่นหรือว่าทําให้ส่วนรวมเช่นวัดโรงเรียน สถานที่สาธารณะเช่นสวนสาธารณะหรือรอุทยานนี่มันสกปรกระเทอเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ได้เลยนะหรือแม้แต่การประหยัดพลังงานหรือแม้กระทั่งการรักษาสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยนะถ้าว่าคิถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวนะไม่รู้จกักคิดถึงผู้อื่นหรือส่วนรวมงานที่สอนเนี่ยก็คือ ช่วยให้ลูกเนี่ยได้เข้าถึงความสุขที่ไม่อิงวัตถุเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไปเข้าใจว่าความสุขอย่างเดียวนะที่มีก็คือการเสพเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งก็ต้องอาศัยวัตถุนะต้องอาศัยเงินทองนะอันนี้เรียกว่าสุขจากวัตถุสิ่งเสพหรือว่ากาม นะสุขแบบนี้เรียกวการมาสุขแล้วคนเราถ้ารู้จักแต่การมาสุขนะมันหาความสุขได้ยากนะแล้วก็มันก็ง่ายที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยความสุขที่ไม่อิงวัตถุนี่มันก็มีมากมายหลายอย่างนะความสุขจากการเรียนความสุขจากการทํางานหรือถ้ามันยากไปก็ความสุขจากการปลูกต้นไม้ มีพ่อแม่บางคนนะชวนลูกเนี่ยทำอาหารทำครัวด้วยกันแล้วลูกก็มีความสุขนะสอนตั้งแต่เล็กเลยเด็กๆนี่ก็อยากจะทำครัวมันกลายเป็นความสุขอย่างหนึ่งของลูกๆในบ้านมันไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่เป็นหน้าที่นะมันเป็นความสุขเพราะว่าได้ทำครัวร่วมกันนะพ่อแม่ลูกนะ มันกาเป็นสิ่งที่ลูกในตั้งตารอคอยเราก็ได้สร้างสรรค์นนะอาหารชนิดต่างๆทั้งอาหารทั้งขนมนี่ก็เป็นความสุขไนแบบง่ายๆนะที่ไม่อิงวัตถุนะเป็นความสุขที่เกิดจากการกระทําหรือบางทีพ่อแม่ก็ชวนลูกนะมาตอบคำถามเล่นปริศนากันมีการเล่นเกม20คําคำถามอ่า ชวนลูกมาเล่นด้วยพ่อแม่ก็เล่นด้วยลูกก็มีความสุขสุขกว่าดูหนังดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมด้วยซ้ำนะแต่ถ้าไม่สอนแบบนี้นะเด็กก็ไปติดเกมแล้วก็กลายเป็นการไปเสพติดวัตถุตอนหลังก็สุขจากการไปชอปปิ้งนะการมีของแพงๆสินค้าแบรนด์เนมเสร็จแล้วก็เดือดร้อนพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่สอนแต่เรื่องความสุขโดยอาศับวัตถุนะลูกอยากได้แล้วก็ให้นะโทรศัพท์มือถือเครื่องเล่นเกม iPad ให้ไปเด็กก็จะรู้จักแต่ความสุขที่อิงวัตถุนะแต่ว่าถ้าเด็กรู้จักความสุขที่ไม่อิงวัตถุความสุขจากการกระทําสิ่งที่มัน ท่าทาทยสติปัญญาเล่นเกมบ้างหรือว่าทำครัวบ้างหรือว่าร้องเพลงด้วยกันบ้างหรือปลูกต้นไม้ทำสวนด้วยกันเนี่ยอันนี้เด็กจะรู้จักความสุขที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปความสุขจากการทำความดีความสุขจากการเรียนความสุขจากการทางานก็จะเกิดขึ้นตามมาประการที่สามคือเนี่ย อย่าหวังลาบลอยคอยโชคและนิยมทางลัดให้พึ่งความเพียรของตัวเองสอนลูกให้เข้าใจนะว่าความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรามีความสุขความเจริญและพ้นจากความทุกข์ได้ทำอะไรเนี่ยต้องพึ่งความเพียรของตัวเองอันนี้ก็เป็นแก่นนะหรือเป็นหลักธรรมพื้นฐานของพุทธศาสนาเลยแต่เดิอนนี้เนี่ยเด็กเนี่ยผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยหวังลาบรอยคอยโชค จะทำอะไรก็หวังโชคนะบางทีพ่อก็แม่ก็สอนลูกโชคดีนะสอบเนี่ยขอให้โชคดีนะแต่ไม่ได้สอนให้ลูกเนี่ยมีความเพียร น, นะแล้วไม่ได้แค่ลาบลอยขอโชคแนละนิยมทางรัดด้วยทำการบ้านนี่ก็ใช้ทางรัดนะตัดแปะจาก Google นะจากวิกิพีเดียนะพอโตขึ้นนี่ก็ โกงทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถ้าหว่ามีคุณธรรมสามประการนี่นะมันก็ถือว่าลูกเนี่ยนะได้ปฏิบัติตามหลักคําสอนงพุทธศาสนาแล้วเป็นชาวพุทธโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นชาวพุทธโดยที่ไม่รู้ว่ตัวเป็นชาวพุทธนี่มันดีกว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้ปฏิบัตินะและต่อไปถ้ามีคุณธรรมสมประการนี่เป็นพื้นฐานเนี่ยไอการที่จะ น้อมเข้ามาสู่ธรรมะขั้นสูงในพุทธศาสนาเช่นการเจริญสติการทำสมาธิเนี่ยมันก็ง่ายและต่อไปก็จะเห็นคุณค่าของหลักธรรมขั้มสูงในพุทธศาสนาเองนะอริยมรรคองค์8เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์นี่ให้เด็กเขามีคุณธรรมหรือหลักธรรมพื้นฐานสารการนี่ก่อนและเขาก็จะเป็นชาวพุทธนะที่ถูกต้องนะ หรือถึงไม่ได้เป็นชาวพุทธเพราะไม่รู้ว่ตัวเป็นชาวพุทธนะแต่ว่าก็เป็นชาวพุทธโดยปริยายนะอันนี้ดีกว่าเป็นชาวพุทธที่ว่าเนี่ยเข้าวัดสวดมนต์ใส่บาตรแต่ว่าเห็นแก่ตัวนะแล้วก็ยังหวังโชคลาภหวังลาภลอยคอยโชคได้แต่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตนบรรดาลให้ร่ํารวยมั่งมีนะแต่ว่าไม่ได้พึ่งความเพียงตัวเองแล้วก็ไม่มีน้ําใจให้คนอื่น ยังติดในสุขทางวัตถุอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธแต่ในนามนะแต่ว่าโดยคุณธรรมและนิหางกายจากความเป็นพุทธมา